จากบะมีเหลืองไปสู่การประชุมสงฆ์มีอีกครั้งหนึ่งคราวนั้นก็น่าอัศจรรย์เหมือนกันผมคิดว่าเป็นความอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยเรียกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ปกติผมติดต่อกับเสียสมหมายร้อยเอ็ดอยู่บ่อยๆเพราะเสียสมหมายเข้าใกล้ชิดหลวงตาได้ผมก็จะคอยถามข่าวคร า, าวจากเสียสมหมายว่า หลวงตาท่านปรารบอะไรบ้างเราควรทำอย่างไรขึ้นวันหนึ่งตอนนั้นผมอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ผมฝันเห็นเสียสมหมายกําลังเดินข้ามถนนมาผมก็รอจะทักทายแต่ปรากฏเห็นหลวงตาเดินมาถือถุงก๊อบแก๊บมาด้วยใบหนึ่งด้วยความเคยชินที่ต้องไปรับของรับร่มจากท่านเป็นประจำเวลาท่านกลางร่มมาจะเข้าศาลาในฝันนี่ท่านถือถุงก๊อบแก๊บมาด้วยแล้วท่านก็ส่งถุงนั่นให้ผม พอผมเปิดออกดูนี่มันบะหมี่น่นาบะหมี่สีเหลืองๆกรอบๆที่เขาเอาไปทําราดหน้าบะหมี่เหลืองทอดกรอบโอ้ยนี่หลวงตายังอุตส่าห์เมตตารับให้เขาอยู่นะผมก็คิดอยู่ในความฝันพอตื่นเช้ามาก็เล่าให้หมู่คณะฟังกันเมื่อคืนเราฝันดีหลวงตามาเมตตาเราพอเล่าเสร็จแดงจุฬาโทรมาพอดีบอกว่าเห็นเสียสมหมายมากราบหลวงตาที่สวนแสงธรรม ผมก็เลยลองโทรศัพท์ไปถามว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างไหมเสียสมหมายตอบว่าผมไปกราบหลวงตามาแล้วยีโ่โฮแต่ผมกลาบก่อนเพราะคนเยอะผมเลยไม่ได้คุยอะไรกับหลวงตาเลยพอไม่ได้ข่าวคืบหน้าจากเสียสมหมายผมก็เลยมาคิดพิจารณาความฝันและมันก็เกิดอัศจรรย์ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นคิดได้อย่างไรคือ ผมมาคิดดูบะหมี่ก้อนบะหมี่เหลืองสีเหลืองก็สีของพระบะหมี่เข้ามากดกันเป็นก้อนกลมๆหรือท่านอยากให้เราไปนิมนต์พระให้มาประชุมกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อก่อนพระท่านต่างองค์ต่างมีความคิดเห็นขัดแย้งกันอยู่ตอนนั้นก็ค่อนข้างแตกกระจัดกระจายเพราะตีความหมายความฝันว่าน่าจะต้องทาอย่างนั้นผมก็วิตกว่าแล้วเราจะทาได้อย่างไร เราก็ตัวแค่นี้จะจัดการได้อย่างไรผมแวะไปกราบหลวงพ่อนรงค์กับหลวงปู่เหลิมตอนนั้นท่านอยู่กันสองรูปผมก็คุยให้ท่านฟังว่าผมฝันอย่างนี้อย่างนี้ผมอยากไปนิมนต์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้มาประชุมร่วมกันสักครั้งหนึ่งจะดีไหมหลวงปู่ก็ถามว่าทำไมถึงต้องไปเรื่องมาประชุมมีเหตุผลอะไรผมตอบท่านไปว่าเพราะว่าเวลาเนี้ยหลวงตา ย, ยังมีชีวิตอยู่ แต่มันเหมือนกับลูกๆของท่านต่างไม่เข้าใจกันถ้าเกิดท่านไม่มีชีวิตแล้วจะแตกกันไปหลายส่วนหลายสายนะปู่ท่านก็บอกว่าเมืมีเหลืองของเจ้ามันกรอบจะแตกหักเสกก่อนแล้วประชุมทีไรไม่เห็นเคยสําเร็จสักเรื่องแต่ผมก็ยังอยากทําท่านจึงแนะนําให้ว่าถ้าเจ้าว่าเจ้าสามารถทําได้เจ้าไปหาหลวงพ่ออินทวายเลยถ้าหลวงพ่ออินทวายตกลงเอาด้วยทุกอย่างก็เรียบร้อยแต่ถ้าท่านไม่เอาด้วยก็จบ และถ้าท่านไม่เอาด้วยให้เจ้าโทรศัพท์มาบอกเราทั้งเนี้ยเราจะประสานงานกับพระที่อื่นให้ผมก็ตีรถขึ้นไปกราบท่านอาจารย์วันชัยเพราะช่วงนั้นมีการล่ารายชื่อมีการปฏิบัติการอะไรต่อมิอะไรหลวงพ่อวันชัยจะรู้ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรเพราะท่านก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่เต็มที่กับหลวงตา ผมจึงเลยไปกราบเรียนท่านเรื่องความฝันท่านก็ว่าเออเราเห็นด้วยนะจากนั้นผมก็ขับรถไปหาหลวงพ่ออินทวายต่อไปกราบเรียนให้ท่านฟังท่านบอกเดี๋ยวก็คิดดูก่อนเขาจตัดสินใจก่อนนะระ้ววันสงวันค่อยมากันละกันผมก็ไม่ยอมผมบอกท่านว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาหาหลวงพ่อใหม่ผมอยากจะได้รับคำตอบเร็วๆเพราะเวลาเนี้ยเหตุการณ์มันขัดแย้งกันมาก ท่านก็ยังไม่รับปากเดี๋ยวเราว่าอย่างไรแล้วค่อยว่ากันท่านบอกอย่างนี้ผมก็กลับวันรุ่งขึ้นผมไปอีกไปด้วยกันกับท่านกอไผ่ผมไปถึงกราบหลวงพ่ออินทวายแล้วท่านก็ว่าเอาไว้ก่อนเรายัางพิจารณาดูอยู่ผมรีบพูดโอ๊ยหลวงพ่อพิจารณาอยู่ไม่ได้นะตอนนี้หลวงตา ย, ยังมีชีวิตอยู่ และพี่น้องลูกหลานไม่ผิดใจกันแบบเนี้ยไม่เข้าใจกันแบบเนี้ยผมไม่สบายใจแล้วผมก็มาฝันอย่างเนี้ยผมเรียนท่านอีกว่าแล้ววันนี้ผมจะไปหาหลวงปู่บุญไปหาท่านอาจารย์สุธรรมด้วยหลวงพ่อมีอะไรฝากผมไปหาท่านไหมเจ้าก็บอกไปบางทีเราอาจจะมีประชุมไปบอกท่านอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วเราจะโทรศัพท์คุยกับท่านเองอีกทีหนึง่งผมก็เข้าไปหาหลวงปู่บุญเสร็จแล้วก็เข้าไปหาท่านอาจารย์สุธรรมต่อก็ไปเล่าเรื่องให้ท่านฟัง พอมาย้อนคิดกลับผมก็งงเหมือนกันว่าทำไปได้อย่างไรเพราะเราก็คนธรรมดาตัวแค่นี้แล้วเราไปหาครูบาอาจารย์ระดับนั้นพอผมกลับมายังไม่ทันสว่างเลยหลวงพ่ออินทวายโทรศัพท์มาถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วผมก็เรียนท่านว่าเพิ่งมาถึงตอนเกือบสว่างแล้วครับท่านจึงบอกว่า คิดว่ายังอยู่กับท่านสุธรรมจะได้ให้บอกกับท่านสุธรรมว่าวันที่เท่านี้เท่านี้ประชุมกันที่วัดดงสีชมพูจึงเกิดการประชุมย่อยของครูบาอาจารย์ขึ้นที่วัดดงสีชมพูเป็นครั้งแรกหลวงพ่ออินทวายก็ไปที่ประชุมสรุปตกลงว่าจะมีการประชุมกันอีกครั้งที่นาคูนจึงเกิดมีการประชุมใหญ่ที่นาคูนนิมนต์พระมาตั้งมากมายแล้วจากนั้นก็มีการประชุมกันมาเรื่อย ตอนหลังผมบอกหลวงปู่เลิมเห็นบอ่อปู่เป็นยังไงล่ะบะหมี่เหลืองเวลาถูกน้ำเข้ามันเหนียวนะปู่อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผมประสบกับตัวเอง